ก็การ บ, บูชาพระรัตนตรยัยกาบบูชาครูบาอาจารย์ตั้งแต่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนสวายก้อนครบรอมาอยัางพระอาจารย์สรงเสินพระอาจารย์วัฒนาชัยพระเทระเพื่อนสาธยมิกเจริญพรมายัางแม่ชีแล้วก็นักปฏิบัติธรรมทุกท่าน <c oughs> อก็นั่งกันตามปกตินอ้อ วันนี้ก็เป็นเย็นของวันที่ยี่สิบสองพฤษภาคมย1่พฤษภาคมพุทธศักราช2 5 5 9ห่ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราได้มาทำวัดสดมนแล้วก็ฟังธรรมร่วมกันโดยเฉพาะย่างยิ่งตอนนี้ก็มีทั้งพระ ทั้งแม่ชีแล้วก็นักปฏิบัติธรรมหนะ้าที่มาร่วมกิจกรรมกรรมฐานเข้มหน้าสี่สิบวันแล้วก็กลุ่มหมอที่บัญจุใหม่หนะ้าของอ น, นนะกรรมาธิมาแล้วนะก็เป็นวันเกือบวันสุดท้ายแล้วหนะ้าพรุ่งนี้ก็ต้องอแยกย้ายกันกลับไป มาวัดป่าสุขโตเนี่ยก็คงไม่มีเรื่องอื่นนะการมาวัดป่าสุขโตแล้วก็ตั้งใจหรือว่ามีความมุ่งหวังนะที่จะมาเรียนรู้นะเรื่องกายเรื่องใจของตัวเราเครื่องมือสำคัญที่เราจะใช้ก็คือสติสัมปชัญญะนะหรือความรู้สึกตัวนั่นเอง นะอาศัยรูปแบบนะการเจริญส ต, ติแบบเคลื่อไนไหวที่หลวงพ่อเทียนได้นำเสนอไว้นะหลวงพ่อคำเขียนก็ได้นำมาถ่ายทอดนะผ่านพวกเรามาแล้วเราก็ได้นำมาประพฤติปฏิบัติกันนะเป็นแบบอย่างนะที่วัดป่าสกตัวแห่งนี้เนะส้งรูปแบบที่ พวกเราได้มาเรียนรู้กันก็อาจจะแตกต่างนะไปจากการฝึกกรรมฐานนะทั่วๆไปโดยส่วนใหญ่กรรมฐานทั่วๆไปก็เป็นการนั่งนิ่งหลับตานะทำจิตให้สงบนะแต่วิธีการที่เรามาฝึกกันเนี่ยนะเราไม่นั่งนิ่งนะเราไม่หลับตา นะเรามีการเคลื่อนไหวเราลืมตานะซึ่งตรงนี้คนที่มาใหมนะ่ก็คงจะแปลกใจแล้วก็สงสัยนะว่ามันจะเป็นสมาธิได้อย่างไรมันจะสงบได้อย่างไรนะอันนี้เป็นสิ่งที่หลายคนนะหรือว่าคนที่ยังไม่เข้าใจก็อาจจะ มีคำถามแต่เมื่อเราได้มารองนะมาลองทำหนึ่งวันสองวันสามวันนะหรือจะกี่วันก็ตามนะเราก็คงจะได้สัมผัสแล้วละ่ะว่าการฝึกนะการฝึกจิต ด, ด้วยการเคลื่อนไหวเนี่ยมันก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะที่จะทำให้ใจของเราเนี่ยมันสงบได้แต่เป็นความสงบ ที่ไม่ใช่สงบแบบนิ่งไม่คิดอะไรไม่ใช่เป็นความสงบที่ตื่นรู้เกิดจากการที่เรารู้กายที่มันเคลื่อนมันไหวใจที่มันคิดมันนึกและมันมีการปล่อยการวางอยู่โดยเฉพาะความคิดปรุงแต่งนะที่เกิดขึ้นบ่อ ย, อยเมื่อเราเห็น หรือเราระลึกรู้ขึ้นมานะเราก็ไม่หลงไปในความคิดนั้นไม่ได้หลงไปในอารมณ์นั้นเมื่อมันแสดงตัวออกมาเราก็ไม่สนใจมันเราทิ้งไปเลยสิ่งที่เราสนใจคือกายที่มันเคลื่อนมันไหวนะตรงเนี้ยตรงนี้ก็คือการหัดปล่อยหัดวางนั่นเองนะซึ่งแน่นอนละนะความคิดมันก็จะยังไม่หมดไปหรอก เดี๋ยวมันก็มาอีกนะเราก็ทิ้งมันอีกกลับมารู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวยิ่งคิดยิ่งรู้นะเพราะนั้นการฝึกเ <c oughs> จริญสติแบบเคลื่อนไหวนี่เราไม่เน้นนะที่จะให้เราสงบนิ่งแต่ให้สงบแบบตื่นรู้มีความตื่นรู้รู้อะไรรู้กายเคลื่อนไหว รวมถึงอาการของกายที่มันแสดงออกมานะไม่ว่าจะเป็นอาการปวดอาการเมื่อยอาการร้อนนะหรือหนาวนะหรือบางทีบางคนมาใหม่ๆเนี่ยคลนะั่นเนื้อคั่นตัวเหมือนจะเป็นไขนะ้ตรงนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นความรู้นะเป็นความรู้ที่เกิดขึ้น นะเมื่อเรามีความระลึกรู้รู้สึกตัวขึ้นมาทีนี้เมื่อเราเห็นกายมันเคลื่อนมันไหวเห็นนาการของกายบ่อยๆในขณะเดียวกันมันก็จะมีความพอใจไม่พอใจแสดงออกมาเหมือนกันนะอย่างบางทีอากาศเย็นสบายเราก็รู้สึกพอใจอากาศร้อนอบอ้าวนะเราก็รู้สึกไม่พอใจนะตรงนี้ถ้าเรา <c oughs> ไม่รู้สึกตัวดีเราก็จะเข้าไปอยู่ในความพอใจและไม่พอใจนะเรียกว่ามีตัวกู่เข้าไปพอใจไม่พอใจแต่ถ้าเรามีความรู้สึกตัวนะมันก็จะถอนออกมานะถอนออกมาดูดูความพอใจความไม่พอใจนะเรียกว่าไม่เข้าไปเป็นกับมันหลวงพ่อํำเขียนใด้กคำว่าเห็นนะไม่เข้าไปเป็น เพราะฉะนั้น <c oughs> ร่างกายเนี่ยนะเมื่อเราเคลื่อนเราไหวหรือเราจเจริญสตินะแบบเคลื่อนไหวจะเป็นนั่งสร้างจังหวะ ก, ก็ดีเดินจงกรมก็ดีนะตรงนี้เนี่ยเป็นกุศโลบายนะที่จะให้เราเห็นอาการของกายของใจความทุกข์นะที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจเมื่อเราเห็นแล้วเราจะทำอะไรกับมัน นะเราก็รู้มันนะแล้วก็จะเห็นเลยว่าความทุกข์เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นตลอดเวลานะอย่างเช่นเรานั่งเราปวดเราเมื่อยนะเป็นทุก ข, ขเวทนานะคนใหม่ๆเนี่ยก็สามารถจะเปลี่ยนได้โดยการเปลี่ยนอิริยาบถเช่นเรานั่งเราก็ลุกเดินแต่คนที่ฝึกมานานๆานก็ จ, จะลองดู ว่ามันปวดมันเมื่อยมันทุกขเวทนาทางกายเนี่ยที่สุดมันจะเป็นอย่างไงแต่บางทีเรานั่งไปมันปวดมันเมื่อมันหายได้เหมือนกันนะเออมันก็มีอย่างนี้เหมือนกันนะนะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะทให้เราเห็นเลยว่าอาการต่างๆเนี่ยของกายก็ดีของใจก็ดีนะมันไม่เที่ยงแท้มันแปรปรวนเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาแต่เพียงแต่ว่าเราต้องมีความอดทนสักนิดหนึ่ง อดทนที่จะดูที่จะเห็ น, นความทุกข์ที่เกิดขึ้ น, นความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะหนีห น, นีความจริงเช่นเราปวดเราเมื่อเนี่ยเราไม่ได้ศึกษาลงไปเราหนีหนียังไงเราก็ไปหากิจกรรมอื่นทาหรืออาจจะเปลี่ยนอิยบทไป โดยที่เราไม่เห็นอาการที่มันแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปนะซึ่งตรงเนี้เป็นเรียกว่าเป็นโจทย์ที่ยากสักนิดหนึ่งสําหรับคนเริ่มต้นใหม่เราไม่คุ้นเลยนะกับการที่จะมาต้องมาทนทรมานกับความทุกข์ปกติเนี่ยถ้าเราอยู่ที่บ้านเราอยู่ในสังคมทั่วไปเนี่ยพอมันทุกข์ขึ้นมามันเจ็บมันปวดเนี่ยนะเราก็หนีเลย เราไม่ได้เรียนรู้ความเจ็บปวดนั้นเราไม่ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของความเจ็บปวดนั้นเห็นแต่การเกิดไม่เห็นการดับแต่ถ้าเรานั่งนิ่งๆนะทนอยู่สักนิดหนึ่งนะแล้วก็ดูนะอาการที่มันเกิดขึ้นเมื่อเราเปลี่ยนยีบทเราก็เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้หรือถ้าใครนั่งทนจนมันหายไปเองก็เห็นความเปลี่ยนแปลงได้อันนี้มันก็ทําให้ ให้เราเห็นความจริงแล้วโอ้สิ่งอย่างต่างเหล่านี้นี่มันมันมันมันไม่เที่ยงเนาะมันแปรปรวนเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาและมันไม่อยู่ในอำนาจของเราด้วยนะตรงเนี้ยเป็นสิ่งหนึ่งที่เราได้เรียนรู้โดยเฉพาะกลุ่มหมอบรรจุใหม่นะที่มากันอยู่สามวันนะวันนี้ก็ลองถามดูนะว่า <c oughs> เป็นยังไงวันแรกความง่วง กับวันนี้วันที่สามความง่วงมากกว่าเดิมหรือน้อยกว่าเดิมนะส่วนใหญ่ก็บอกว่าน้อยกว่าเดิมนะซึ่งตรงนี้นะมันก็เป็นเครื่องชี้เห็นว่าความง่วงเนี่ยนะมันก็ยังสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้มันไม่ได้คงที่ตายตัวแต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะง่วงตลอดเวลามันมีง่วงมีตื่นมันมีหนักมันมีเบาและถ้าเรา ไม่ยอมแพนะ้คำว่าไม่ยอมแพ้ในที่นี้หมายถึงว่าเราง่วงเราไม่กลับไปนอนเราไม่ไปกุฏนะิเราทุซมนะีที่จะเรียนรู้มันอดทนกับมันจิตใจเข้มแข็งตรงนี้มันทำให้ใจเราเข้มแข็งขึ้นมีความอดทนมากขึ้นแลวเราก็เห็นเลยว่าความง่วงเนี่ยนะไม่ได้มีพิษสงอะไรเลยตรงกันข้ามนะถ้าเราง่วงเรายอมแพ้เรากลับไปนอนกุฏิ อันนี้ก็คือมันจะมีพิษ ส, สง่งมันจะมีอานาจกับเรามากแล้วมันจะทําให้จิตใจของเราอ่อนแอเพราะฉะนั้นความยากลําบากเนี่ยมันจะสร้างความเข้มแข็งขึ้นมาความทุกข์ความยากาที่ได้จากการฝึกเนี่ยมันจะทําให้จิตใจของเราเข้มแข็งขึ้นมามีความอดทนมากขึ้นแล้วเราก็จะได้เห็นความจริงนาของอาการของกายของใจที่มันแสดง มันปรากฏออกมาในส่วนของกายก็คือความเปลี่ยนแปลงนะในอาการต่างๆที่เกิดขึ้นในส่วนของใจก็คือความคิดนึกความคิดนึกเนี่ยเป็นอาการของจิตนะไม่ใช่จิตนะแล้วมันก็จะคิดนึกในเรื่องที่เราคุ้นชินนะเรื่องไหนที่เราคุ้นชินเรื่องไหนที่มันประทับใจมันก็จะคิดแล้วคิดอีกซ้าไปซ้ามาอยู่เนี้ย แต่เมื่อเราเห็นมันอยู่บ่อยๆความคิดนั้นมันจะจางไปสุดท้ายมันจะหายไปแล้วมันก็จะมีความคิดใหม่ขึ้นมาอีกนะความคิดเนี่ยนะมันก็จะมีมาในหลายรูปแบบนะเพียงแต่ว่าให้เรารู้ทันมันรูปแบบต่างๆนั้นนะแรกๆก็จะเป็นความคิดที่เป็นความคิดในเรื่องที่ไม่ค่อยดีนะเป็นความคิดหยาบๆ เรื่องที่เราทำไม่ค่อยดีมามันจะแสดงออกมาให้เราเห็นก่อ น, นเรียกว่าเป็นความคิดห ย, ยาบๆเช่นเราทําอะไรไม่ดีไว้ไม่มีใครรู้หรอกเรารู้ในใจเราแล้วมันเก็บสะสมไว้ <c oughs> มันก็จะแสดงออกมาการแสดงออกมาเนี่ยถ้เรารู้เท่าทันเราปล่อยวางเราทิ้งนี่ก็จะเป็นการชําระล้างสิ่งที่มันหมักหมมในจิตในใจของเรา นะซึ่งอันนี้ก็คือการชรําระจิตนั่นเองชําระจิตให้บริสุทธิ์บางครั้งมันไม่คิดก็รู้ว่ามันไม่คิดไม่ใช่ว่าเราจะต้องให้มันคิดตลอดเวลามันจะคิดหรือมันไม่คิดไม่ได้อยู่ในอำนาจของเรานะมันแล้วแต่เหตุปัจจัยความเคยชินนะที่เราเคยคิดนะหรือมันมีเรื่องราวต่างๆที่มากระทบทางตาทางหู ทางจมูกทางลิ้นทางกายรวมถึงใจที่คิดนึกนะสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะมันก็จะทําให้เกิดความคิดปรุงแต่งในเรื่องต่างๆเพราะฉะนั้นในการฝึกเนี่ยนะบางทีบางทีเราก็รู้สึกว่ามันคิดฟุ้งซ่านนะมันคิดมากเราอยู่ที่บ้านเราไม่คิดขนาดนี้เลยนะเออเราทําไม่ถูกแล้วมั้งนะบางคนก็ไปเข้าใจอย่างนั้น จริงๆมันก็เป็นธรรมดาของมันนะที่มันจะแสดงปรากฏออกมานะความคิดเนี่ยเพียงแต่ว่าเราอยู่ที่บ้านเราอยู่ที่สังคมเราไปสนใจเรื่องอื่นแต่พอเรามาอยู่ที่นี่เนี่ยมันไม่มีข่าวสารไม่มีเรื่องราวที่จะให้เราสนใจนะป่ามันก็เป็นธรรมชาตินะไม่มีโทรทัศน์ไม่มีทีวีไม่มีอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะคนที่โดนเก็บโทรศัพท์มันก็มีทางเดียวอ่ะเราก็กลับมาดูตัวเราเองเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นการที่เรามาฝึกสติเนี่ยเมื่อสติมันมันทํางานเนี่ยมันก็จะเห็นความคิดต่างๆมากมายเลยซึ่งตรงนั้นเนี่ยนถ้าเราเห็นมันเรารู้มันแล้วเราปล่อยระวางได้เนี่ย น, ยนยก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาเป็นปัญญาญาณนะ ไม่ใช่เป็นปัญญาที่เกิดจากการคิดการนึกส่วนใหญ่ที่เราเรียนหนังสือกันส่วนใหญ่เป็นปัญญาที่เกิดจากการคิดการนึกการหาเหตุหาผลแต่เรามาฝึกกันนี้เนี่ยเป็นปัญญาที่เกิดจากการที่เราได้สัมผัสนะกับอาการกับปรากฏการณ์ต่างๆนะที่แสดงออกมาจากในกายในใจของเราซึ่งมันแสดงอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนั่นแหละ เพียงแต่เราไม่เคยใส่ใจเราไม่เคยมาสนใจเราไม่เคยมาดูแต่เมื่อเรามาอยู่ที่นี่นะเราได้เห็นมันความคิดทุกๆความคิดเนี่ยไม่ต้องไปปฏิเสธมันแต่ในเวลาเดียวกันก็ไม่ได้ยอมรับมันนะก็คือมันมาให้เราดูนะดูแล้วก็ผ่านนะทุกความคิดทุกอารมณ์ดูแล้วก็ผ่า น, นะามามานไม่ต้องไปวิเคราะห์วิจารณ์ว่ามันมาจากไหนมันจะไปอย่างไงไม่ต้องไปสนใจเล ใหม่ๆเนี่ยมันคิดกึนมาทิ้งไปก่อนทิ้งไปเรื่อยๆการที่เราทิ้งนะความคิดทุกๆความคิดตรงนี้เนี่ยมันจะทําให้พลังของความคิดมันอ่อนตัวลงและพลังของความรู้สึกตัวมันจะเข้มแข็งขึ้นนะซึ่งตรงเนี้มันเป็นธรรมชาตินะของความของสิ่งที่อยู่ตรงกันข้ามเช่น <c oughs> เมื่อเราดับไฟมันก็มืดเมื่อเราเปิดไฟมันก็สวา่าง เหมือนกันเมื่อมันคิดเรารู้ทันความคิดมันก็จะหายไปเป็นความรู้สึกตัวเข้ามาแทนที่แต่เมื่อใดก็ตามที่เราหลงไปคิดเราก็ไม่รู้สึกตัวนะตรงนี้เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่จาเป็นที่เราจะต้องทำนะให้ต่อเนื่องนะเรียกว่าเห็นแล้วเห็นอีกรู้แล้วรู้อีกนะมันไม่ใช่รู้ครั้งเดียวแล้วหายไปเลย ไม่คิดเลยไม่มีแล้วเราทํานี้ไม่ได้ทําเพื่อไม่ให้คิดนะทําเพื่อให้รู้ทันความคิดเมื่อรู้ทันแล้วเราก็จะไม่หลงไปในความคิดเมื่อไม่หลงไปในความคิดเนี่ยนะใจมันก็จะแสดงสภาพที่เป็นปกติออกมานะซึ่งเป็นธรรมชาติเดิมแท้นะของจิตใจของเราความเป็นปกติของใจนี่แหละนะที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยง ให้จิตใจของเราเนี่ยมีความหนักแน่นมั่นคงเป็นปกตินะแต่ว่ารสชาติของความเป็นปกติเนี่ยมันค่อนข้างจืดชืดนะมันจืดชืดเหมือนน้ําเปล่าอ่ะมันไม่มีรสม่ชาติแต่ว่ามันขาดไม่ได้นะเวลาเรากระหายเราจำเป็นจะต้องดื่มดื่มน้ําจืดนี่แหละเราจะกินน้ําเปรี้ยวน้ําหวาน หรือน้ำรสชาติอะไรสุดท้ายมันจะต้องมาจบที่น้ำจืดเหมือนชีวิตของเราจิตใจของเรามันจะสุขมันจะทุกข์มันจะมาจบที่ปกตนะิก็คือใจปกติเฉยๆนี่แหละถ้าเรากลับมาตรงนี้ไม่ได้เนี่ยจิตใจของเราจะขึ้นๆลงๆไม่ปกติแล้วถ้าเรามันไม่ปกติอยู่บ่อยๆนานๆเนี่ยมันจะเครียดนะ ผิดหวังมัง่งสมหวังบัง่งดีใจบ้างเสียใจบ้างเพราะฉะนั้นก็บอกคนที่หัวเราะดังที่สุดเนี่ยก็จะร้องไห้ดังที่สุดคนที่มีความสุขที่สุดถึงเวลาทุกข์มันก็จะทุกข์มากๆอันนี้มันเป็นสิ่งที่มันคู่กันเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนคนที่ใจไม่ปกติบ่อยๆสุดท้ายก็จะเป็นโรคจิตโรคประสาทเพราะนั้นการที่เรามาฝึกนมาฝึก ให้ใจมีสติอยู่กับกายนะแล้วก็มีสติระลึกรู้อยูนะ่กับกายที่เคลื่อนไหวบ่อยๆไม่ลงไปกับความคิดตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยลดความตึงเครียดในจิตในใจได้นะทำให้เรามีใจที่หนักแน่นมั่นคงนะแล้วก็มีความสุขนะจากใจที่ปกตินะซึ่งความสุขนิดนี้เนี่ยนะคนส่วนใหญนะ่ไม่ค่อยได้ คุ้นชินกับมันอย่างที่เราสวดตะกี้เนี่ยนะความความสั ง, งัดที่บุคคลนะไม่ค่อยได้สนใจนะหรือว่าไม่ค่อยเห็นประโยชน์มันนะที่ที่เราสวดกันไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะอันนี้ก็คือความเป็นปกติของใจซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเราไม่ค่อยคุ้นชินเราคุ้นชินกับความสุขบ้างความทุกข์บ้างใจปกติเฉยเฉยเนี่ยนะเราจะบอกว่า มันมันจืดชืดเกินไปนะมันไม่ลดมีลดมีชาต์นะมันธรรมดาเกินไปอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำให้ชีวิตของเราเนี่ยเราหกเราเหินไปกับความสุขความทุกข์เพราะนั้นเมื่อเรามาฝึกนะมาฝึกเจริญสติเนี่ยตรงนี้เนี่ยเมื่อเราได้สัมผัสกับความเป็นปกติใจบ่อยๆนะตรงนี้มันก็จะเรียกว่าเรามีที่พึ่งแล้วเรามีหลักให้กับใจแล้ว นะวันนี้ก็มีคุณหมอบางบางคนบันท่านนะก็ได้สัมผัสอาการเหล่านี้บ้างนะเดินรู้สึกออรู้สึกเดินได้เรื่อยๆนะจิตใจก็เป็นปกตนะิสัมผัสได้เป็นบางครั้งบางคราวนะบางครั้งก็มีความคิดแวบๆเบ้าแบบมากรู้ทันมันนะนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นนะของการที่เราจะเข้าไปนะสัมผัสกับความเป็นปกติของใจ สิ่งตรงนี้ถ้าเราทำให้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะแต่ไม่ต้องไปประคองมันนะให้มันเป็นของมันเองนะให้มันเป็นของมันเองนะให้มันเป็นบ่อยๆแล้วมันเป็นเองนะเราไม่ใช่ไปไปไปไปกะเกณไปหวังว่าจใจมันเป็นเพียงแต่เราสร้างเหตุสร้างเหตุก็คือกลับมารู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวบ่อยๆนะตัวนี้จะเป็นการเพิ่มพลังให้กับความรู้สึกตัวแลวตัวนี้แหละนะมันจะเด่นขึ้นมา มันจะเห็นความเป็นปกติของใจเมื่อใจไม่ปกติแม้เพียงนิดหน่อยนะมันก็จะเห็นจะรู้ใจมันกระเพื่อมนิดหน่อยเราก็จะเห็นเราก็จะรู้เพราะนั้นเพียงแค่นิดหน่อยตรงนี้ถ้ามีสติเข้าไปรู้ทันเนี่ยมันจะหายไปเลยแต่ถ้าเราไม่มีสติเราก็จะหลงไปเพราะนั้นความโกรธความโลภความหลงเนี่ยมันเกิดจากการที่เราไม่รู้เท่าันตรงนี้เองมันก็เลยปรุงแต่งเป็นเรื่องราวต่าง จากมนโนกรรมเรื่องภายในจิตในใจมันก็ออกมาเป็นวจีกรรมคือคำพูดออกมาเป็นกายกรรมคือการกระทานะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเราสามารถที่จะดูแลจิตใจของเราได้เนี่ยนะมันก็จะเป็นการดูแลคำพูดดูแลการกระทำได้ด้วยเดันะะนั้นในครั้งพุทธกาลเนี่ยก็เคยมีมีพระภิกษุรูปหนึ่งนะ ท่านบอกว่าศีล227ข้อเนี่ยท่านรักษาไม่ได้เลยท่านอยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์ละจะตศึกก็ไปกราบทูลลาพระเจ้าพรธเจ้าบอกว่าเธอเธอรักษาศีลให้ใจเป็นปกติได้ไหมเอาข้อเดียวเนี่ยทำได้ไหมก็อบอกถ้าข้อเดียวนี้เขาทำได้เขาก็ไปทำไปทำก็คือเจริญสตินี่เองนให้ มีกายที่เคลื่อนไหวนะแล้วก็ระลึกรู้นะกับกายที่เคลื่อนไหวแล้วก็ดูจิตอยู่ใจของเรานะสภาพที่มันเป็นปกติเป็นยังไงนะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ทำให้ท่านสามารถที่จะบรรลุธรรมได้นะเหมือนเป็นนิทานนะเอ่อที่เอ่อได้ยินมาจากหลวงพ่อมาหลายทีหนึ่งนะที่เคยเล่าให้ฟังว่ามีในพานคนหนึ่งเขาไป รักลูกเสือมาตัวหนึง่งเสือตัวนี้นี่มันมีปากหกปากนะมันแต่ละปากเนี่ยมันกินกินอาหารไม่เหมือนกันตอนแรกเนี่ยเอาลูกกงมาขังมันนะลูกกงนี่มีสองรอยี่สิบเจ็ดซี่ปรากฏมันกัดเรียบเลยขังไม่ได้ก็เอาลูกกงใหม่มีเหล็กอยู่สิบซี่ มันก็กัดอีกอ่ะก้าลุกกลงใหม่ลดน้อยลงเหลือห้าซีกอะกมันก็กัดอีกสุดท้ายเนี่ยใช้ลุกกลงที่มีซีกเดียวขังมันได้อันนี้เป็นนิทานที่เขาเล่าะนะซึ่งเขาก็เปรียบเทียบเหมือนว่า <c oughs> พร ะ, ะเนี่ยถ้าไม่ดูแลใจไม่มีสติต่อให้วิศีลสองรอยี่บเจ็ดข้อมันก็จะมีการล่วงละเมิด นะหรือว่าเนนะมีศีลสิบถ้าไม่มีสตนะิเรียกว่าไม่มีศีลในใจนะก็ลุงละเมเดเองญนะาติโยมถือศีลแปศีลห้าก็เหมือนกันเพราะนั้นถ้าเรารักษาใจของเราได้โดยมีสติคอยดูแลคอยคุ้มครองเนี่ยศีลข้อนี้ข้อเดียวเนี่ยนะมันจะดูแลศีลข้ออื่นๆด้วยนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ ได้ยินได้ฟังมาแล้วก็เออน่าสนใจเนาะแต่ตรงนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าศีลวินัยเราจะไม่ดูแลนะแต่ว่าให้เราดูแลใจเราเนี่ยใจเนี่ยจะเป็นตัวคุมตัวสติเนี่ยจะดูแลใจอีกทีหนึ่ง mm hmm. เพราะฉะนั้นการมาเจริญสติก็คือการที่เราม า, าดูแลกายดูแลใจของเราแต่ก่อนกายใจของเรามันโดนความคิดโดนความโลภความโกรธความหลงมันครอบงามเมา โดนในสิ่งเหล่านี้มันใช้เราต่อไปนี้เราไม่ยอมแพ้มันละเราต้องปลดปล่อยให้ให้กายให้ใจเราเป็นอิสระแล้วคนที่จะมาดูแลก็คือสติปัญญาสติสัมปชัญญะไม่ใช่กิเลสไม่ใช่ตันหาอุปทานต่างๆที่มาครอบงำหรือแม้มมแต่ความหลงนะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยนะเป็นสิ่งหนึ่งที่เราได้มาฝึกฝนกันนะเป็นทางนะ ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าได้ค้นพบแล้วก็ได้นําเสนอไว้ตั้ง 2,700 กว่าปีมาแล้วเราไม่ต้องไปนค้นหาใหม่เลยเราเพียงจะเดินตามอาศัยความเชื่อไปก่อนความเชื่อความศรัทธาแล้วก็ลองไปนะเมื่อเราลองเราทํามันเกิดผลความศรัทธาก็จะมีความตั้งมั่นแล้วก็เราก็จะมีความเพียร น, นะ มีสติมีสมาธิมีปัญญาในวัยอินสี่ห้าพละหา้าอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่หนุนนำให้เราได้เดินทางก้าวหน้ า, 9, นาต่อไปเรื่อยๆเพราะนั้นในความทุกข์ยากในความลำบากจากการฝึกในห ย, นะยัดท้อนะโดยเพพาะผู้ที่มาเข้ากรรมฐานเข้ม4ี่สิวันเนี่ยอยากจะอยู่ให้ครบ4ี่สิบวันเลยนะลองดูสิมันจะตายให้มันรู้ไป นะไม่ตายหรอกนะเห็นมีบางคนก็สามารถอยู่ได้นะสี่สิบวันแต่บางคนมาอยู่สักสามวันห้าวันเจ็ดวันทนทนเบื่อไม่ได้ทนง่วงไม่ได้ทนเหงาไม่ได้ถอยดีกว่าอะไรเงี้ยนะก็น่าเสียดายเหมือนกั น, นแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะก็แล้วแต่ออิอนทรีย์ของแต่ละคนนะแล้วก็การมาเก็บอารมณ์เข้มสี่สิบวันเนี่ย ต้องช่วยตัวเองเยอะๆนะที่วัดป่าสุกโตเนี่ยอาจจะไม่มีคนดูแลใกล้ชิด น, นักนเพราะส่วนใหญ่ก็จะให้เราช่วยตัวเราเอง น, นี้คิดว่าแต่ละคนถ้ามีความตั้งใจมีความศรัทธามีความเพียรก็น่าที่จะให้เราได้สัมผัสกับความเป็นปกติสุขแล้วก็ได้เห็นความจริง ของกายของใจนะที่มีความแปรปวนเปลี่ยนแปลงไม่ได้อยู่ในอำนาจของเราไดนะ้เห็นแล้วเห็นอีกนะจนมันเอื่มละอามันเบื่อหน่ายมันปล่อยมันวางนะตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราเป็นอิสระนะอิสระจากความไม่รู้อิสระจากความโลภความโกรธความหลงนะซึ่งตรงนี้แหละนะเป็นเป้าหมายนะสูงสุดของชาวพุทธเรานะที่จะได้พบ นะเป็นโชคดีของเราแล้วละ่ะเกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาได้ได้มาปฏิบัติธรรมโอกาสพิเศษอย่างนี้เราต้องรีบฉวยโอกาสทันทีเนาะอล่รในท้ายที่สุดนี้นะก็ขออ้างอิงเงาคุณของพระศีรษะธนไทรก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแลนะก็คือเศษสัมปชัญญะที่มีอยู่ในตัวเรา พระธรรมคือสัจธรรมความจริงที่แสดงปรากฏออกมาทางกายทางใจแล้วก็ธรรมชาติแวดล้อมพระสงค์ก็คือการประพฤติปฏิบัติด้วยความศรัทธาความเพียรด้วยสติสมาธิและปัญญาก็ขอให้สิ่งเหล่านี้นเป็นพลวัตปัจจัยหนุนนําให้ทุกท่า น, นาได้ถึงซึ่งความพ้นทุกข์ คือความสุขเกษมสารมีพระนิพพานเป็นเบื้องหน้าในเร็วนี้โดยทั่วหน้ากันเทินเจริญพร